มีข่าวใหญ่นะดังไปทั่วโลกข่าวนั้นก็คือนะการเสียชีวิตของนักฟุตบอลชื่อดังนะเปเล่จริงๆเขาเสียเมื่อวันศืกแล้วนะแต่ว่ามาเป็นข่าวก็เมื่อวานเปเล่นี่เป็นนักฟุตบอลชื่อดังนะแต่ว่าถึงแม้ไม่ใช่เป็นคนสนใจฟุตบอล น, นะก็ยอมรู้จักเดี๋ยวดินชื่อเปเล่ บางคนเกิดมาก็ได้ยินชื่อนี้เลยนะเพราะว่าเขาเป็นตำนานนะตำนานของวงการฟุตบอลนะที่ไม่มีใครมาเทียบเทียมได้นะแม้กระทั่งมาราดนนน่านะซึ่งเป็นชาวอียินติ น, น้าหลายคนเรียกว่าสนใ่ก็ได้ทุกวันเนี้ก็รู้จักเปเรเลสในฐานะตำนานนะักฟุตบอลแต่ว่าต่อมานี่ ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยไม่ได้รู้จักเขาในฐานะเป็นตำนานนะแต่เป็นนักฟุตบอลจริงๆนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเขากำลังรุ่งโรจน์นะในวงการฟุตบอลนะเรียกว่าเป็นราชาเลยแล้วก็มีโอกาสนะเรียกว่าโชคดีก็ได้ตอนเด็กๆนะได้เห็นเขาสําดงฝีมือนะในสนามฟุตบอลเนี่ยแบบสดๆนะสดๆในที่นี่ก็หมายความว่ า, าเรียลไทม์นะไม่ใช่ว่าไปดู ที่สนามเพราะาตอนนั้นเนี่ยมันมีการแข่งบอลโลกนะปีหนึ่งสามแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนัดถึงชนะเลิศผมต้องตื่นมากลางดึกเลยนะตีสามตีสี่แล้วมัหรือตีสองเนี่ยแล้วก็ได้เห็นนะลีลาของเปเล่ที่นำชัยชนะนะมาสู่บราซิลนะเป็น ชัยชนะครั้งสาคัญของบราซิลเพราะว่าเป็นครั้งที่สามที่ได้เป็นแชมป์บอลโลกก็ได้ดูครั้งนั้นแหละครั้งเดียวนะที่เป็นการดูแบบสดๆนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่นานเขาก็กเกษียณนะเพราะฉะนั้นคนที่โตมารุ่นหลังเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเขาเล่นแบบสดๆเท่าไหร่ก็ได้ยินแต่ชื่อเสียงหรือว่า รู้จักขอ้อใดที่เป็นตำนานนะตำนานคือว่าเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วชื่อเขาน่าสนใจนะไม่ใช่แค่ลีลาการเล่นฟุตบอลอย่างเดียวเพราะว่าตอนเด็กๆนี่เขายากจนมากเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักฟุตบอลมากนะตั้งแต่เล็กแล้วห้าหกขวบก็เล่นบอลแล้ว พ่อแม่ก็อยากจนไม่มีเงินซื้อฟุตบอลให้เขาก็เอาถุงเท้าเนี่ยนะถุงเท้าผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็เอากระดาษเนี่ยยัดเข้าไปให้มันเป็นลูกกลมๆแล้วก็หาอะไรมัดอ่ามัดปลายไว้ก็เตะบอลกันอย่างนั้นแหละนะตามถนนนะไม่มีสนามฟุตบอล ตั้งแต่5 6หกขวบนะตอนหลังก็พอ9ขวบนี่ก็ได้มีโอกาสร่วมทีมฟุตบอลนะบราซิลตอนนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าคนนี่คลั่งคล้ฟุตบอลกันแล้วเพราะฉะนั้นฟุตบอลนี่ก็สามารถจะเล่นเป็นอาชีพได้ไปเรกเนี่ยเขาก็มีความไฝ่ฝันนะ่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ส่วนนึงเพราะเขามีใจรักทังนั้นอีกส่วนนึงก็เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้ไต่เต้าเงยลืมตาอ้าปากได้สำหรับคนยากคนจนเนี่ยไม่มีปัญญาเรียนหมหาวิทลัยเนี่ยก็ต้องอาศาัยฟุตบอลนี่แหละนะเป็นอาชีพในการพาตัวเองและครอบครัวพ่อแม่เนี่ยออกจากความยากจนไปเลยตอนเด็กๆนี่เขาก็ มีคนรู้จักเยอะนะเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีแววตั้งแต่เล็กแล้วไปไหนมาไหนคนก็ทักและตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีคนให้บุหรี่เขาตอนนั้นเนี่ยเขายังเด็กเขาคิดว่าเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ มีความเชื่อว่าในสูบบุหรีแล้วมันเท่สูบบุหรีแล้วเนี่ยเสดงว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่มีเงินสูบบุหรีนะไม่มีเงินซื้อบุหรีนะเพราะนั้นมีขายให้บุหรีเขาก็รับแล้วก็สูบตอนหลังก็สูบจนติดนะทั้งที่อายุไม่มากต่อมาเนี่ยก็ไปต้องรอคนให้ละไปขอเลยนะไปขอคนนั้นคนนี้ขอบุหรี มีวันนึงฮะที่กาลังขอบุหรี่อยู่ก็บอกกูว่าไปเดินชนพ่อนะพ่อซึ่งเดินมาพอดีพ่อนี่ยเขาก็เป็นนักฟุตบอลนะแต่เป็นนักฟุตบอลที่ไม่ดังรายได้ก็ไม่เคยดีพ่อเนี่ยพอรู้และเห็นว่าเขาลูกชายเนี่ยขอบุหรี่สู่จากคนบนท้องถนนเนี่ย ไปแ้ถามไปแล้ว่าเนี่ยเธอสูบบุหรี่มานานหรื อ, อยังไปแล้ก็ก้มหน้าเลยนะด้วยความละอายเขาบอกว่าก็เพิ่งสูบไม่กี่ครั้ ง, งครับจูจูเนี่ยพ่อเนี่ยเขาก็เห็นพ่อเนี่ยเงื้อมือเลยนะเห็นพ่อนี่เงื้อมือเขาตกใจมากเลยนะเขาเรลยเอามือเนี่ยปิดหน้า ในใจคิดว่าเนี่ยพ่อไม่เคยตบตีเขาเลยเนี่ยแต่คราวนี้เขาคงทําผิดมหาหันนะพ่อจึงจะตีเขาจะตบเขาด้วยสัญชาติญาณนี้เขาก็เลยเอามือเนี่ยนะปิดป้องใบหน้าบอกว่าพ่อไม่ได้ตบนะพ่อ ก, อ, กอดเขากอดเขาแล้วก็พูดกับเขาว่าเนี่ยลูกเอ้ยนะลูก สามารถจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้นะแต่ถ้าลูกสูบริลียางงี้เนี่ยลูกจะมีกำลังมีเลียวแรงเล่นฟุตบอลไปได้ตลอดได้ยังไงถ้าลูกนิสัยไม่ดีนะฟุตบอลของลูกอาชีพของลูกมันก็จะจบเท่านี้แหละลูกต้องตัดสินใจเองนะว่าอนาคตของลูกนี่จะไปต่ อ, อยังไงคำพูดนี้เนี่ยทาให้เปรเี้นี้เขา ซึมเลยนะนึกว่าพ่อจะตบนะแต่พ่อกอดแล้วพ่อพูดเตือนสติไปแล้บอกตอนนั้นนี่เขาน้ําตาไหลเลยแล้วก็มองมาที่พ่อนะน้ําตาพ่อก็ไหลด้วยตอนนั้นไม่พอนะพ่อบอกพ่อก็ควักเงินออกมาจากกระเป๋ามีสมดบัทไม่กี่ใบนะพ่อก็ไม่ไม่รวย แล้วก็ยืนให้เปรเล่บอกว่าเนี่ยถ้าลูกจะสูบบุหรีนะเอาเงินน่สูเอาเงินงน่ซื้อบุหรีอย่าไปขอคนอื่นเขามันเสียศักดิ์ศรีโอเปรเล่นี่นักแต่นั้นมานะแกะเลิกสูบบุหรีเลยเพราะว่าทราบซึ้งในน้ำใจความรักของพ่อแล้วก็รู้สึกผิดอย่างแรงเลยนะ นับแต่นั้นมานี่แม้โตเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นแม้จะมีไรายได้ดีจากการเล่นบอล น, นี่ก็ไม่เคยแตะ บ, บุหรี่เลยตอนหลังเนี่ยเขาก็ดังแล้วนะเป็นราชาฟุตบอลเนี่ยมีบริษัทบุหรี่เหล้ามาคอาก็เป็นพรีเซนเตอร์นี่เขาปฏิเสธเลยทั้งนั้งที่รายได้เนี่ยนะมันสูงมากนะจากการเป็นพรีเซนเตอร์ อันนี้เป็นฉากชีวิตหนึ่งนะที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของเปรเล่นนะคำสอนของพ่อเนี่ยนะน่าสนใจมากนะตอนแรกเนี่ยเปเล่คิดว่าพ่อจะตบนะที่สุหรี <c oughs> แต่พ่อไม่ตบนะพ่อกับกอดอันนี้ผิดคาดมากเวลาลูกทำผิดนะพ่อจานวนหรือแม่จานวนไม่น้อยเนี่ยก็ ก็มักจะใช้วิธีดุด่านะหรือบางทีก็ลงโทษเพราะคิดว่าทำเช่นนี้จะทำให้ลูกเข็ดลาบแต่พ่อของไปเร่นี่ไม่ทำอย่างนั้นนะกานที่จะตบตีกับกอดสะท้อนหนึ่งการมีความรักอย่างแท้จริงนะเพราะถ้ารักอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดนะแม่ลูกจะทำผิดเพราะมีแต่การให้อภัย ในการที่จะตบมันเกิดจากความโกรธนะเพราะอะไรเพราะผิดหวังเพราะไม่เป็นไปดังใจตนนะอันนั้นยังเป็นความรักที่ยังเจอไปด้วยความยึดในตัวตนนะแต่พ่อของเปเล่นี่เขารักลูกมากจนกระทั่งไม่มีความโกรธความเกลียดมีแต่การให้อภัย <c oughs> แต่ไม่ให้แพงเดอย น, นะเข้าใจด้วยเข้าใจว่าเด็กผู้ชายเนี่ย ในวัยนี้เนี่ยก็อาจจะอยากจะสูบบุหรีนะเพื่อเป็นที่ยอมรับของผู้คนเข้าใจก็เลยไม่คิดที่จะลงโทษนะถ้าอยากสูบบุหรีก็อย่าไปขอก็สูบนะให้ซื้อเองเนี่ยพอไปขอเขาันเสียศักดิ์ศรีนะนี่เป็นความเข้าใจความเข้าใจลูกซึ่งก็หาได้น้อยนะในพ่อแม่ จำนวนมากเนี่ยแต่ว่าพ่องไปเล่ไม่มีความเข้าใจหรือมีความรักแท้อย่างเดียวนะมีปัญญาด้วยมีปัญญารู้วันเนี่ยตบตีใบด่าว่าไปไม่เกิดประโยชน์ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนะหรืออาจจะมองว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคือการให้อภัยแล้วก็การพูดจจให้คิดนะถ้าตบตีเนี่ยมันก็หรือด่าว่าเนี่ยก็มีแต่ความกลัว แต่ถ้าพูดให้คิดเนี่ยในการรู้จักคิดมันก็จะอยู่กับเด็กไปตลอดเดี๋ยวพอพูดให้เด็กคิดว่าเนี่ยอนาคตของลูกเนี่ยลูกต้องตัดสินใจเองนะว่านี่เป็นคําสอนที่ดีมากเลยนะตัดสินใจเองก็คือการสอนให้รู้จักคิดให้ลูกรู้จักคิดแล้วพอลูกรู้จักคิดได้นะมันจะอยู่เข้าไปตลอดแล้วความรู้จักคิดส่วนนึงก็เกิดจากการที่เกิดมีความละอายนะ ไม่ใช่กลัวนะกลัวนี่ก็ยับยั้งคนไม่ให้ทำชั่วได้แต่ว่าความละอายมันก็มีพลังเหมือนกันอันนี้รอยหินินะหิริคือความละอายบาปละอายเพราะว่ารู้ว่าทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็รู้ว่าพ่อรักตัวเองมากก็เลยต่อไปไม่อยากทำให้พ่อผิดหวังแล้วก็เลยเลิกสูบบุหรี่อันนี้คือการสอนเด็กนะ ที่น่าสนใจนะไม่ได้ใช้การดูการด่าการลงโทษแต่ใช้ความรักการให้อภัยและการให้โอกาสซึ่งคนไม่ค่อยคิดถึงอันนี้เท่าไหร่นะเวลาใครทำให้ดีเราก็นึกถึงการตาหนิการด่าว่าการลงโทษแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะความรักการให้อภัยแล้วก็การเปิดโอกาสนะถ้าลูกอยากสูบบุหรีพ่อก็ให้ลูกให้เงินลูกไปเลยนะ ไม่ต้องไปขอเขาแค่นี้มันก็ทําให้ลูกเนี่ยเปลี่ยนใจนะไม่เลิกสูบอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นบางมุมของในชีวิตของไปลเลท่ที่น่าสนใจนะซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์แต่เฉพาะคนที่สนใจฟุตบอลนะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนชีวิตที่ดีมากนะทั้งกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ เด็กเด็กเยาวาชนวัยรุ่นด้วย